2. การเข้าใจถึงได้ว่ามาแล้วว่าร่างกายเหมือนบ้านใจเหมือนเจ้าของบ้านธรรมเนียมจะเข้าไปหาคนในบ้านต้องเข้าทางประตูที่เขาทำไว้ให้เข้าแล้วแต่ว่าบ้านของใครจะมีกี่ประตูพอมีแขกเข้าประตูบ้านเจ้าของบ้านก็ต้องต้อนรับนี่ว่าถึงเจ้าของบ้านสามัญธรรมดา แต่ถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนใหญ่คนโตงานการมากและเบื่อแขกเต็มทีแล้วบางทีเขาก็ไม่ต้อนรับว่างก็ว่าไม่ว่างอยู่ก็ว่าไม่อยู่ปะเหมาะแขกเข้าหน้าบ้านเจ้าของหนีออกทางหลังบ้านอันนี้ไม่ว่าเป็นข้อยกเว้นพูดกันถึงเจ้าของบ้านธรรมดาธรรมดาเมื่อแขกเข้าบ้านเจ้าของบ้านก็เอาเป็นทุระ ต้อนรับปราัยตามฐานานุรูปแต่บางกรณีแขกไม่ได้เข้าประตูมาเลยเจ้าของบ้านอาจชะโงกหน้าต่างออกไปว่าอะไรกับใครก็ได้รวมความว่าเจ้าของบ้านแต่ละคนติดต่อคนภายนอกได้สองทางคือคอยติดต่อกับแขกที่เข้าประตูบ้านมาทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ชะโงอกออกไปติดต่อกับคนนอกบ้านเองใจคนก็เหมือนกัน ติดต่อกับเรื่องนอกตัวทางประตูห้าช่องกับติดต่อทางความคิดกับเรื่องภายนอกโดยตรงร่างกายของคนมีประตูที่จะเข้าไปติดต่อกับใจรวม5ประตูแต่ประตูร่างกายเรียกตามภาษาศาสนาวาทวานคำว่าทวานก็แปลว่าประตูตรงตัวทวานนั้นมี5คือ 1. จะขูทวานทางตา 2. โสตทวารทางหูสามคานทวารทางจมูกสี่ชิวหาทวารทางลิ้นห้ากายทวารทางผิวกายห้านี้เป็นประตูทางร่างกายที่เปรียบว่าเหมือนประตูบ้านส่วนประตูใจโดยตรงมีอยู่อีกต่างหากหนึ่งประตูเรียกว่ามโนทวารถ้านับรวมเบ็ดเสร็จทั้งประตูกายประตูใจ รวมเป็น6ประตูเรียกว่าทวารทั้ง6แต่และทวารมีข้อความทราบย่อๆดังนี้จักษุคำว่าจักขุหรือจักสุเราแปลอย่างไทยๆว่าตาแต่คำว่าตาของเรากว้างกว่าคำว่าจักสุคือหมายถึงลูกในตาที่เป็นก้อนกลมๆกรอกไปกลอกมาได้แต่คำว่าจักขุหรือจักสุในภาษาบาลีหมายถึงกลุ่มประสาท เรียกว่าจักษุประสาทนั้นประสาทที่กล่าวนี้มีคุณภาพพิเศษสามารถรับแสงสะท้อนของรูปร่างสีที่อยู่ในทัศนวิสัยในวงเล็บสายตาได้ประสาทกลุ่มนี้เรียกว่าจักษุส่วนลูกในตาที่เป็นก้อนเนื้อกลิ้งอยู่ในเบ้าตานั้นภาษาบาลีใช้คําว่าอักขิหรือเนตตาที่ชาวบ้านเราว่ากันว่า ตาเขตาโตตาหีตาเลเหล่านี้เราว่าเรื่องรูปทรงของลูกในตาที่เรียกว่าเนตตหรืออคิเท่านั้นช่องจักสุนี้เป็นทางผ่านของรูปคำว่ารูปในภาษาธรรมะโปรดทราบเสียด้วยว่าได้แก่สิ่งที่เห็นด้วยตาทุกอย่างเช่นคนสัตว์ต้นไม้โตเตียงและอื่น รวมทั้งตัวหนังสือที่ท่านกำลังดูอยู่นี้เรียกว่ารูปเหมือนกันแม้แต่ลูกในตาเองที่เรามองเห็นเช่นเรานั่งคุยกันอยู่กับคนอื่นแล้วเห็นลูกในตาเขาอย่างนี้เราจะว่าเราเห็นจักสุ ข, ของเขาไม่ถูกที่ถูกต้องเป็นว่าเห็นรูปโสตช่องที่สองคือโสตแปลว่าหูข้อนี้ก็ต้องวิเคราะห์รายละเอียดเหมือนกับตาเหมือนกัน หูในภาษาไทยของเราหมายถึงใบหูตลอดเข้าไปถึงช่องหูแต่ทางภาษาธรรมะแยกกันคําว่าโสตะหมายถึงประสาทฟังเท่านั้นคือประสาทกลุ่มหนึ่งมีคุณภาพพิเศษสามารถรับคลื่นเสียงจากภายนอกได้ประสาทกลุ่มนี้เรียกว่าโสตะหรือโสตะประสาทส่วนตัวใบหูและช่องหูนั้นท่านใช้คําว่ากันนะหรือกัน โสตทวารนี้เป็นทางผ่านของเสียงจากภายนอกเข้าไปสู่ใจคานะช่องที่สาคานะเราจำกันในภาษาไทยว่าจมูกแต่คงหมายถึงประสาทที่สูดกลิ่นได้เท่านั้นไม่ใช่หมายถึงโครงจมูกที่เราเห็นด้วยตาและ ว, ว่ากันว่าคนนั้นจมูกโดง่งคนนี้จมูกบี้อะไรเหล่านี้ตัวโครงจมูกนี้ในภาษาบาลีใช้คำว่านาสะหรือนาสิก ใจรู้กลิ่นโดยคานะประสาทนี้ชิวหาช่องที่4ชิวหาหมายถึงประสาทสำหรับรู้รสติดอยู่กับแผ่นเนื้อในปากที่เราเรียกว่าลิ้นจะรู้รสว่าสิ่งใดรสเปรี้ยวหวานขมเค็มจืดและอื่นๆต้องลิ้มดูด้วยลิ้นหรือชิวหาประสาทกาย กายประสาทหมายถึงประสาทที่รู้สัมผัสมีอยู่ทั่วไปในร่างกายเกือบจะเรียกว่าทั่วเนื้อทั่วตัวก็ว่าได้ถ้าอยากจะรู้ว่าตรงไหนมีกายประสาทหรือไม่มีลองเอาไฟจี้ดูตรงไหนรู้สึกร้อนตรงนั้นก็มีกายประสาทถ้าตรงไหนไม่รู้สึกตรงนั้นไม่มีเช่นผมบนศีรษะไฟไหม้ก็ไม่ร้อนตะกรายตัดก็ไม่เจ็บเพราะผมตรงนั้น ไม่มีกายประสาทตกลงว่ากายประสาทมีอยู่ทั่วตัวแม้แต่ในตาในหูในจมูกในลิ้นก็มีกายประสาทแทรกอยู่ทุกขนทุกแห่งตกลงว่าคาว่ากายเทวานหมายถึงร่างกายทั้งหมดนั่นเองสิ่งทั้ง5พูดถึงช่องทางที่จะเข้าถึงใจโดยผ่านร่างกายมาแล้วว่ามีอยู่ด้วยกันห้าทาง ก็น่าจะพูดให้ตลอดว่า5ทางนั้นทางไหนอะไรผ่านที่จริงก็กล่าวพาดพิงมาแล้วตั้งแต่ตอนว่าด้วยอาหารใจเรื่อยมาแต่นั้นเป็นเพียงพาดพิงถึงเท่านั้นเพราะในบทเหล่านั้นอยากจะพูดเรื่องอื่นเป็นเรื่องหลักสิ่งทั้ง5าที่กำลังพูดถึงนี้ได้แก่สิ่งภายนอกตัวที่มากระทบประสาททั้ง5เช่นรูปคนอื่นมากระทบตาเราหรือเสียงพูดคนอื่นมากระทบหูเรา กลิ่นจากดอกไม้มาต้องจมูกเรารสอาหารมาถูกริ้นเราและสัมผัสนุ่มนิ่มจากฟูกเบาะมาประทะตัวเราพวกที่มานั้นเรียกว่ามาจากภายนอกคือนอกตัวนอกจากนี้ยังมีเกิดขึ้นภายในตัวอีกด้วยแต่อธิบายทางธรรมะ ก, ก็ถือว่าเป็นสิ่งภายนอกด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องตาเป็นรูป ตามหลักถือว่าตาเป็นอยนายตนะภายในคือในตัวส่วนรูปเป็นอายัตนาภายนอกคือนอกตัวแต่ทีนี้หากจะตั้งปัญหาว่าการที่เราเห็นรูปโฉมของตัวเองเช่นเห็นเนื้อตัวมือเท้าของเราเองอย่างนี้เราเรียกว่าเนื้อตัวเป็นอายัตนาภายนอกได้คือสิ่งที่ตาเห็นแล้วเรียกว่าภายนอกทั้งนั้นเสียงก็เหมือนกัน เราพูดเองได้ยินเองเสียงของเราก็เป็นอายตนะภายนอกรสก็เหมือนกันบางทีก็รู้ว่าเปรี้ยวปากหรือขมน้ำลายตัวเองรสเปรี้ยวรสขมนั้นเกิดขึ้นในตัวเราเองแต่ก็จัดเข้าพวกอายตนะภายนอกสิ่งกระทบกายที่เรียกว่าภัสดะบางทีก็เกิดขึ้นในตัวเองเช่นกำลังรับประทานอาหารเพลินเพินเกิดกัดลิ้นตัวเอง ควบแทบน้ำตาร่วงนี่ก็คืออายุทยภายนอกแต่เกิดขึ้นในตัวเองทีนี้แจกแจงลักษณะอาการของสิ่งทั้ง5้าอีกครั้งกันความสงสัยอาการอย่างไรเป็นอาการของรูปอย่างไรเป็นอาการของเสียงอย่างไรเป็นอาการของกลิ่นอย่างไรเป็นอาการของรสอย่างไรเป็นอาการของภาษะโปรดดูตารางต่อไปนี้ ตารางแสดงตัวอย่างอาการของอายัตนาภายนอกทั้งห้าอาการของรูปสั้นยาวกลมแบนคดรีคมสวยขี้เหร่สูงต่ำเล็กใหญ่ขาวเขียวแดงดำเหลืองและอื่นๆอาการของเสียงแหบ เครื่อทุม้มดังเบาโหกหาก้าห้อยหวนเพราะไม่เพราะกลางวานโวกเวกและอื่นอื่นอาการของกลิ่นหอมเหม็นฉุนสาบหน้าดมไม่น่านดมและอื่นอื่นอาการของรสเปรี้ยวหวานขมมันเค็มเผ็ด จืดซาฝาดคืนเฝื่อนและอื่นๆอาการของผัสสะเยน็นร้อนอ่อนแข็งนิ่มระคายอบอุ่นและอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังมีอีกยังนึกได้ไม่หมดและยังมีอาการผสมที่ไม่ได้เขียนไว้อีกเช่นวงกลมคำว่ากลมเป็นลักษณะของรูป แต่ยืมไปใช้กับเสียงหรือกลิ่นก็เหมือนกันผสมกันได้อีกหลายอยา่างหอมก็มีหอมอ่อนๆหอมเย็นๆความจริงอ่อนกับเย็นเป็นอาการของภาษะกลิ่นใครจะไปกดดูได้ว่าอ่อนหรือแข็งและจะเอามือแคะดูว่ากลิ่นร้อนหรือเย็นก็ไม่รู้ได้เหมือนกันบางทีเราให้สีทีเดียวก็มีเช่นกลิ่นเหม็น ถ้าเหม็นบางลักษณะเราใช้คำว่าเหม็นเขียวความจริงเขียวเป็นอาการของรูปเพราะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตากลิ่นจริงๆไม่มีสีถ้ากลิ่นมีสีมันก็คงจะเปื่อนจมูกบ้างกระมังนี่เรื่องยืมคำมาใช้แต่ก็ได้ยินพูดกันเฉพาะเหม็นเขียวส่วนเหม็นแดงหรือเหม็นเหลืองดูไม่มีใครพูดสิ่งทั้งห้านี้ บางอย่างเวลาเกิดขึ้นมันทำหน้าที่หลายๆอย่างก็มีต้องทราบไว้เหมือนกันผงเข้าตารู้สึกเคืองลูกในตาเอาออกมาได้แล้วจึงวางมันไว้บนฝ่ามือมองดูเห็นเป็นเม็ดดำๆเล็กๆลองคิดดูสิว่าไหนเป็นอาการของอะไรคำตอบก็จะมีดังนี้ความรู้สึกเคืองเป็นความรู้สึกทางกายสาทในวงเล็บไม่ใช่จักสุประสาท ที่มองเห็นเป็นเม็ดดำๆนั้นจึงเป็นการเห็นด้วยจกักษุประสาทพูดย่อว่าตาเห็นรูปเคี้ยวถั่วลิสงขั่วหอมมันแต่แข็งแกะกระปากเวลาเคี้ยวได้ยินเสียงกรับๆรับไหนเป็นอาการของอะไรเช่นเดียวกันกับปัญหาแรกหอมเป็นอาการของกลิ่นเรารู้ด้วยคานะประสาทมันเป็นอาการของรสเรารู้ด้วยชิวหาประสาท แข็งเป็นอาการของผัสสะเรารู้ด้วยอาการกราบกราบเป็นอาการของเสียงเรารู้ด้วยโสตะประสาทต่อไปท่านก็พิจารณาแยกได้เองว่าแล้วก็ขอย้ําอีกนิดว่าลำพังตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นประสาทที่มีคุณภาพในการรับกระทบเท่านั้นไม่มีความรู้อยู่ในตัวใจต่างหากเป็นผู้รู้ ลำพังตาก็เป็นเพียงกล้องฉายแสงสะท้อนจากภายนอกเข้ามาเหมือนเราตั้งกระจกเงาไว้พอมีอะไรผ่านหน้ากระจกเงาก็เข้าไปปรากฏในกระจกแต่กระจกเองก็ไม่รู้ว่าเงานั้นสวยหรือไม่สวยหญิงหรือชายนกหรือกากระจกไม่รู้เรื่องคนผู้เป็นเจ้าของกระจกต่างหากเป็นผู้รู้ระหว่างตากับใจก็เหมือนกันตาเป็นเพียงกระจก ให้รูปต่างๆเข้าไปปรากฏใจเป็นผู้รู้ระหว่างประสาทอื่นๆก็อยู่ในลักษณะนี้สิบสามพฤติการของใจพูดเรื่องเจ้าของบ้านมามากแล้วก็เลยยกเรื่องเจ้าของบ้านมาว่าเสียสักบทหนึ่งคนที่อยู่ในบ้านซึ่งเรียกว่าเจ้าของบ้านนั้นย่อมมีพฤติการต่างๆกันเจ้าของบ้านบางคนชอบสุรานารี บางคนเล่นกล้วยไม้บางคนเลี้ยงเป็ดไก่บางคนนั่งเขียนหนังสือเหมือนกับข้าพเจ้าขีดขีดเขียนเขียนอยู่นี้นี่เรียกว่าพฤติการของเจ้าของบ้านเราไปมาหาสู่เขาก็ต้องรู้พฤติการของเขาจะได้ไม่เกอ้อและเข้ากันได้ใจคนเราก็เหมือนกันกับเจ้าของบ้านใจคนนี้กับใจคนนั้นโดยศักก์ก็เป็นใจเหมือนกัน แต่ว่าพฤติการแตกต่างกันอยู่บ้างประเภทของความแตกต่างต้องดูในด้านนิสัยอุปนิสัยอัธยาศัยและจริตดังจะอธิบายต่อไปนิสัยคำว่านิสัยหมายถึงความเคยชินของจิตคือจิตของคนเราต้องเสพกับสิ่งใดมากเกิดความเคยชินอาจเป็นทางดีหรือทางเสียก็ได้ตัวอย่างเช่น พูดคำหยาบเป็นนิสัยพูดโกหกเป็นนิสัยพูดจริงเป็นนิสัยไหว้พระก่อนนอนเป็นนิสัยตรงต่อเวลาเป็นนิสัยสุบริเป็นนิสัยดุโคกหากเป็นนิสัยเจ้าชู้เป็นนิสัยและอื่นๆรวมความว่าทำอะไรจนเคยชินนั่นเองพอติดนิสัยอย่างนั้นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะไม่ทำอย่างนั้น บางทีจำเป็นต้องงดเว้นที่จะกระทำตามนิสัยก็ให้รู้สึกสบายใจบางทีพลังเข้าหานิสัยเดิมโดยไม่รู้ว่าตัวก็มีเหมือนกันเช่นคนที่พูดคำหยาบพูดอะไรก็พลัดเข้าหาคำหยาบจนได้คนที่ติดนิสัยโกหกก็เหมือนกันลงได้พูดแล้วก็หาเรื่องโกหกจนได้ไม่ได้โกหกทั้งเรื่องก็ให้ได้โกหกแค่เศษของเรื่องนิดหนึ่งก็เอา เช่นจะเล่าว่าได้เห็นงูตัวหนึ่งใจจริงว่ามันโตขนาดนิ้วก้อยแต่เวลาพูดออกมาก็แถมอีกนิดหน่อยเช่นบอกว่าขนาดนิ้วนางอะไรอย่างนี้แหละคือไม่ได้ทั้งหมดก็ข อ, อนิดหนึ่งพอหอมปากหอมคอนิสัยเป็นของติดตัวเราพูดกันว่าติดนิสัยเช่นว่าในกอติดนิสัยนักเลงหรือในขอติดนิสัยเจ้าชู้ดังนี้เป็นต้น ที่ว่าติดก็คือติดตัวและออกยากและความจริงที่ปรากฏอยู่ทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเช่นนายแดงนิสัยพูดคำหยาบเดิมเป็นชาวนาพูดติดนิสัยว่าไอหาจะพูดถึงวัวเทียมเกวียนแกก็ว่าไอหาวัวไม่รู้ไปไหนหมดต่อมานายแดงได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรจะพูดถึงเพื่อนสสด้วยกันคุณแดงก็ว่า ไอหาเพื่อนผู้แทนไม่รู้ไปไหนหมดต่อมาท่านผู้แทนแดงได้เป็นประธานสภาเวลาจะพูดถึงสมาชิกท่านประธานแดงก็พูดว่าไอหาสมาชิกไม่รู้หายไปไหนหมดต่อมาท่านประธานแดงเกิดได้เป็นรัฐมนตรีพณะท่านของรัฐมนตรีแดงก็ต้องพูดว่าไอหารัฐมนตรีไม่รู้ไปไหนหมดอย่างนี้แหละ ที่เรียกว่าติดคือพูดว่าไอหาจนติดนิสัยแม้ไปบวชเป็นสมภารเจ้าวัดก็ยังไอหาไม่รู้เป็นไหนหมดอยู่นั่นแหละมันติดจริงๆขอให้สังเกตดูเถอะบางทีไม่ได้ตั้งใจจะพูดก็พลั้งออกมาจนได้เช่นเดียวกับคนที่พูดคำว่าชิบหายจนติดนิสัยไม่ว่าจะพูดคำอะไรลงท้ายก็ไม่ลืมที่จะใช้คำว่าชิบหายด้วยเสมอ ท่านผู้อ่านก็คงจะเคยเห็นอย่างบางคนชอบพูดหิวชิบหายอิ่มชิบหายดีชิบหายสนุกชิบหายสวยชิบหายและอื่นๆอะไรๆก็ลงชิบหายทั้งนั้นคนที่ติดนิสัยกินจุกกินจิกก็ให้มีอันอยากกินอะไรอะไรอยู่เรื่อยแม้แต่ไม่ใช่เวลากินเด็กบางคนมีนิสัยกินจุกกินจิกซ่อนของกินเข้าไปในห้องเรียน แม้แต่โตแล้วก็ยังติดนิสัยดูแต่ในโรงหนังลองดูเวลาหนังนิเกตามพื้นใต้เก้าอี้ในโรงจะเต็มไปด้วยเปลือกผลไม้เอยกระดาษห่อเอยไม้กลัดเอยให้รุงรังไปหมดเกือบทุกที่นั่งนั่นคือเรื่องนิสัยกินจุ ก, กินจิกและนิสัยไม่ยอมให้ปากอยู่ว่างๆนี่แหละที่ทำความหนักใจให้คนกวากนนขนทางอยู่ทั่วไป นิสัยอื่นๆก็ยังอีกแยะลองนับดูบ้างก็ได้นิสัยกินจุกกินจิกนิสัยพูดคำสบทนิสัยมักง่ายนิสัยพูดมากนิสัยตื่นสายนิสัยทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นนิสัยปฏิเสธว่าเปล่านิสัยพูดเหน็บแนมนิสัยกินเศษกินเลยนิสัยขี้หึงและอื่นๆ นั่งนับเอาสักร้อยก็จะพอหาได้ขอให้ท่านผู้อ่านนึกนับเอาเองก็แล้วกันเรื่องนิสัยแม้จะเป็นเพียงความเคยชินของใจแต่เป็นการชี้เส้นทางให้ใจไหลไปตามนิสัยนั้นอุปนิสัยอุปนิสัยแปลว่านิสัยชั้นในหมายความว่านิสัยที่ซับซ้อนอยู่ในใจมานานจนเข้าไปปรากฏในจิต ข้าพเจ้าคือให้ความหมายว่าแววของจิตคนที่มีอุปนิสัยไปทางไหนก็หมายความว่ามีแววในทางนั้นและใครมีแววทางใดก็มักจะทำงานนั้นได้ดีกว่าคนที่ไม่มีแววแววของจิตนั่นแหละเรียกว่าอุปนิสัยมีความสำคัญในทางฝึกอบรมคนมากเช่นคนที่มีอุปนิสัยทางดนตรีเรียนดนตรีง่ายและเล่นได้ดี คนที่มีอุปนิสัยทางวาดเขียนพอได้ฝึกหัดวิชาวาดรูปก็ทำได้คล่องคนมีอุปนิสัยทางเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็เรียนเครื่องจักรเครื่องยนต์ได้ดีอุปนิสัยกับนิสัยต่างกันนิสัยเป็นเพียงความชอบของใจสู่อุปนิสัยนั้นหมายความว่าใจมีแววที่จะฝึกได้บางคนมีนิสัยแต่ไม่มีอุปนิสัยก็เป็นได้เช่น คนมีนิสัยชอบดูมวยนัดไหนนัดนั้นตากแดดราฝนเสียเงินเสียทองก็ยอมเพราะชอบดูนี่เรียกว่ามีนิสัยทีนี้ถ้าชอบดูด้วยแล้วก็ฝึกหัดชกมวยได้ดีอีกด้วยก็เรียกว่ามีทั้งนิสัยทั้งอุปนิสัยแต่คนส่วนมากชอบดูคนอื่นต่อยกันส่วนตัวเองไม่มีแววที่จะเป็นนักมวยได้เลย การศึกษาเล่าเรียนตลอดจนการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยเหมือนกันคนบางคนอุปนิสัยยังไม่แก่กล้าพอถึงพระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดก็ไม่ได้บรรลุธรรมจะเห็นได้ว่าบางคนพระพุทธองค์ต้องทรงรอเป็นเวลานานๆเพื่อให้อุปนิสัยแก่กล้าแล้วจึงเสด็จไปเทศนาโปรดอัธยาศัยอัธยาศัย ต่างจากนิสัยและอุปนิสัยอยู่บ้างนิสัยเป็นเพียงความชอบของใจซึ่งเกิดจากความเคยชินอุปนิสัยก็เป็นเพียงแววของใจซึ่งเป็นเครื่องส่งเสริมสมรรถภาพของคนในด้านต่างๆส่วนอัธยาศัยหมายถึงพื้นเพของใจทีเดียวบางทีข้าพเจ้าใช้คำว่าธาตุของใจหรือเนื้อหาของใจโปรดทาความเข้าใจว่าพื้นเพเดิมซะ ก, ก่อน พริกพื้นเพของมันเผ็ดในพวกพริกด้วยกันพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกหยวกแต่ละชนิดพื้นเพก็แตกต่าง ก, กันออกไปเผ็ดเหมือนกันแต่เผ็ดมากเผ็ดน้อยไม่เหมือนกันมะเขือขาวพื้นอย่างหนึ่งมะเขือเทศพื้นอย่างหนึ่งฟักทองฟักเขียวบวบมะละกอและอื่นๆมักมีพื้นเพเดิมของมันแต่ละอย่าง ไม้ก็เหมือนกันไม้สักไม้ตะเคียนไม้ไผ่ไม้ทองหลางไม้ยิ้วและอื่นๆแต่ละไม้ก็มีพื้นของมันแต่ละอยา่างพื้นดินก็เหมือนกันบางแห่งพื้นเป็นทรายบางแห่งเป็นดินร่วนบางแห่งเป็นดินเหนียวดินปนทรายดินลูกรังดินกรวดดินแดงดินปูนและอื่นๆนี่พูด ถึงคำว่าพื้นเพท่านผู้อ่านพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมว่าแม้แต่ของประเภทเดียวกันพื้นเพหรือเนื้อธาตุในตัวก็ต่างกันใจคนเรานี้แม้จะมีสักเป็นใจคนด้วยกันก็มีพื้นเพต่างกันมากบ้างน้อยบ้างพื้นเพของใจนี่แหละเรียกว่าอัธยาศัยหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งว่าอัชชาสัยอั ช, ชาสัยในวงเล็บศั์เดิม อธิบวกาบวกใสตามปกติคนเราคนหนึ่งหนึ่งก็มีอัธยาศัยเด่นอยู่อย่างหนึ่งยกตัวอย่างอัธยาศัยของคนเช่นอัธยาศัยเยือกเย็นอัธยาศัยกว้างขวางอัธยาศัยคับแคบอัธยาศัยอบอ้อมอารีอัธยาศัยเห็นแก่ตัวอัธยาศัยรู้มากอัธยาศัยซื่อตรง อัธยาศัยเอาเปรียบผู้อื่นและอื่นๆรวมความว่าอัธยาศัยมีทั้งดีและไม่ดีตามแต่ความนิยมของภาษาพูดในภาษาไทยถ้าข้างฝ่ายดีเราใช้คำว่าอัธยาศัยเช่นเวลาผู้แทนของบ้านเมืองไปประเทศอื่นแล้วได้รับการต้อนรับจากเจ้าของถิ่นดีๆเราใช้คำพูดว่า ผู้นั้นได้ให้การต้อนรับด้วยอธัธยาศัยไมตรีอันดียิ่งอย่างนี้เป็นต้นส่วนพื้นเพจจิตใจข้างฝ่ายไม่ดีไม่ค่อยนิยมใช้คำว่าอธัธยาศัยแต่ใช้คำว่าสันดานอย่างผู้ใหญ่ดูเด็กๆว่าสันดานไม่ดีความจริงคำว่าสันดานแปลว่าสังสมหรือพอกพูนหมายถึงสิ่งที่สังสมพอกพูนในใจทับซ้อนกันมันนับหลายชาติ ข้าพเจ้าคิดว่าความหมายของคําว่าสันดานใกล้เคียงกับคําว่าอัธยาศัยมากทีเดียวจนคิดว่าเป็นอย่างเดียวกันเจ้าของภาษาเดิมเขาใช้ทั้งสองอย่างคือมีทั้งดีและเสียถ้าใครพื้นเพจิตใจดีก็ใช้คําว่าคนสันดานดีใครจิตใจเสียก็ใช้คําว่าคนสันดานเสียแต่ในเมืองไทยเรานิยมแยกกันเห็นจับเป็นที่คํามันซ้ํากัน เหลือใช้ก็เลยเอาคำว่าอธัธยาศัยเป็นข้างดีเอาคาว่าสันดานเป็นข้างเสียใช้กันจนติดแล้วก็ต้องปล่อยไปขืนไปทำตัวเป็นนักปราดฝืนความรู้สึกของคนเข้าเราเองจะเสียคนใครกล้าลองแย่ๆดูก็ได้เช่นเวลาพูดกับผู้ใหญ่กระผมคิดว่าสันดานของใต้เท้าน่าจะชอบอย่างนี้ถ้ารอดตัวมาได้โดยสวัสดิภาพ ก็เป็นบุญนักหนามีอยู่อีกคำหนึ่งคือคำว่าจริตที่มีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่าอัธยาศัยคือหมายถึงพื้นเพจิตใจเหมือนกันแต่เรื่องจริตเป็นเรื่องละเอียดพิสดารมากเป็นประโยชน์ในการครองใจคนอย่างยิ่งและเป็นเนื้อแท้ของพุทธวิธีครองใจคนภาคสองซึ่งจะมีบทอธิบายโดยเฉพาะต่างหาก foreign uh -huh.